ก็ให้รู้ว่านี้เป็นทุกขเวทนาถ้าเป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขก็ให้รู้ว่านี่เป็นอนทุกขมาสุ ข, ขเวทนาและแม้ว่าเป็นสุ ข, ขเวทนาก็ต้องให้รู้ว่าเป็นสามิตรหรือเป็นยิรามิตรเช่นว่าในขณะที่กําลังนั่งสมาธิอยู่สติหลุดออกไปนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพะ ที่น่าใกล้น่าปรารถนาน่าพอใจและเกิดเป็นสุขขึ้นนี่ก็ให้รู้ว่านี่สุขอย่างนี้เป็นสามิสุขสุขที่เกิดจากอามิ t h ที่มีอามิ t h คือวัตถุเครื่องล่อใจแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากความสงัดเกิดจากสมาธินี่ก็เป็นยูรามิสุขสุขที่ไม่มีอามิ t h ทุก็เหมือนกันถ้าขณะที่นั่งอยู่ได้รับความทุก์เช่นว่าเมื่อยขบถูกยุงกัดกระสับกระส่ายต่างๆนี้ก็จัดว่าเป็นพวกสามิตรทุกทุกที่มีอามิ t ทั้งนั้นเพราะเกี่ยวแก่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะถ้าเป็นทุกที่เกิดจากความยังไม่ได้ไม่ถึงสมาธิต้องการจะให้ได้ให้ถึงก็ยังไม่ได้ไม่ถึง มีความทุกข์เพราะเหตุนี้ก็จัดว่าเป็นนิรามิททุกทุกที่ไม่มีอาม m อันทุกข์ธมสุขก็เหมือนกันถ้าว่าเฉยเฉยไปเพราะความคุ้นอันเกี่ยวแกบรูปเสียงกลิ่นรสผลทภพักข้างนอกนั่นก็เป็นสามิทมีอามิ t h แต่ว่าถ้าเกี่ยวด้วยอุเบคาภายในจิตที่เกิดจากสมาธินี่ก็เป็นนิรามิทไม่มีอาม i t h ในขั้นปฏิบัตินั้นทุกจะละไปได้ก็ด้วยสุขคือเมื่อทีแรกก็มีทุกข์ในการปฏิบัติดังกล่าวแต่เมื่อการปฏิบัตินั้นได้ประสบผลเข้าบ้างก็มีความสุขทุกขก็หายไปคราวนี้เมื่อจิตละเอียดเข้าสุ ข, ขก็หายไปเหลือแต่อุเบขาซึ่งเป็นอุทุกขะมะสุขเพราะฉะนั้น